ารินเหลือขึ้นสบตาคู่นั้นบัดนี้ความกร้าวแข็งเต็มไปด้วยทิฏิอันเป็นบุคลิกประจำดูเหมือนจะสางสลายไปหมดสิน้นเหลือไว้แต่แววอิดโรยกระปกกระเปรียเพราะความกรากกรรมมาตลอดระยะอันยาวนานหนังตาทั้งคู่เริ่มทวงหนักลงคุณหายดีแล้วเหรอปกติเรียบร้อยดีที่สุดแล้วถ้าเช่นนั้นฉันก็จะนอนละหลอนไหวตัว พลักออกจากการพิงเขารพินไม่ยอมปล่อยมือร่างร่างอันอ่อนเปรีย่ยของราชสกุลสาวเอียงอ่อนลงมาเซบซบอยู่กับแผ่นอกกว้างหมดสิ้นเรี่ยวแรงที่จะขยับขยื่นดวงตาหลีโรยลงและในที่สุดก็ปิดสนิทรพินริมฝีปากคู่นั้นเผลอพึมพำครับผมถ้าฉันหลับโดยไม่ตื่นขึ้นอีก คนนี้ก็จะขอเฝ้าเจ้าหญิงนิทราโดยไม่ขยับขยื่นไปไหนตราบชั่วนิรันด์จริงๆนะจริ ง, นะรงไม่เกลียดฉันดอกเรอคิดอยากที่จะเกลียดแต่หัวใจมันทรยศต่อความคิดคุณหญิงล่ะครับเกลียดพรานัยใจฉกาดคนนี้มากแค่ไหนมากเท่าๆที่เคยเกลียดตัวเอง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 ที่แล้วดารินวราฤทธ์ก็หลับไปในอ้อมกอด น, นั้นโดยไม่รู้สึกตัวภาวาตื่นขึ้นอีกครั้งด้วยเสียงกำปันหน้าสะเทือนเลื่อนลั่นพบตนเองยังนอนซบอยู่กับอกของจอมพรานขณะนั้นแสงสว่างรางๆในยามเช้าตรู่ปรากฏอยู่ทางปากถ้ำระพินชันตัวตรงขึ้นตาเบิกโพลง ฟ้าร้องเด๋ลร่อนร้องออกมายังอยู่ในภาวะงวงเงียครึ่งหลับครึ่งตื่นระเบิดนั่นต้องเป็นแงทรายแน่แพรานใหญ่ตอบรวดเร็วปรือด้วยเสียงตื่นเต้นและยังไม่ทันจะขาดเสียงของเขานั่นเองเสียงกึกก้องก็ลั่นคลืนมาอีกครั้งบานว่าถ้ำบนหน้าผาที่อาศัยพักนอนอยู่จะพล่มยุบลงมาด้วยอนุภาพของความสั่นสะเทือนทั้งสองทันหลัขึ้นยืนพร้อมกัน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 พยายามกวาดสายตาไปรอบๆบางก็แว่วเสียงปืนลอยผ่านม่านหมอกขึ้นมาอีกประมาณ 4-5 ห้านัดติดๆดกันระยะห่างออกไปทิศทางที่ตั้งของหมู่บ้านสางเขียวเบื้องล่างครั้นแล้วก็สงบเงียบหายต่อมาอีกพักใหญ่ก็ดังขึ้นอีกแต่เว้นช่วงห่างกันไม่ถี่กระชันนักกลางวานเสียงของมันหนักแน่นและมีจังหวะจะโคนสแสดงว่าเป็นการยิงอย่างประณีตไม่ได้ติดทันตลุมบอล โดยหูอันชำนาญของจอมพรานและนักมนุษยวิทยาสาวบอกได้ทันทีว่านั่นเป็นเสียงไรเฟิลจุดสาด้ารินกระสับกระสายอย่างแทบจะระงับวายไม่ได้หล่อนไม่สามารถจะทำนายเหตุการณ์ได้ถูกมองไปยังพรานใหญ่ก็เห็นเขามีค้าวหน้าครุ่นคิดเงี่หูเหมือนจะพยายามอ่านนอกจากเสียงปืนแล้วไม่มี์ประสมเนียงใดแววมาให้ได้ยินอีกแสดงว่าระยะ ห่างไกลออกไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามนี้หมอกก็เปรียบเสมือนม่านบดบงังทุกสิ่งทุกอย่างไว้ทาให้สังเกตที่หมายใดไม่ได้ทั้งสิ่งทำให้เสียงปืนเงียบหายไปแล้วหญิงสาวเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาพยายามเพ่งฟ้ากลุ่มหมอกลงไปยังเชิงเขาเบื้องหลังรพินกัดริมฝีปากรีตาลกสังเกตจากเสียงจังหวะการยิงน่ะมันห่างมาก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 ฉันนึกไม่ออกนะว่าพวกนั้นจะข้ามฝากมาฝั่งนี้แล้วเกิดประทะกระสานเขียวได้ยังไงผมคิดว่าแง่สายกับพวกเราจํานวนหนึ่งอาจลอบข้ามฝั่งเหวมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโดยอาศัยข้ามทางเดิมกับเมื่อขามาของเรารับคำตอบอย่างใค ร, คร้ครวญในเวลากลางคืนคงจะสำรวจภูมิประเทศและ ว, วางแผนเล่นงานพวกมันไว้ก่อนแล้วหพอเช้าปรู่ก็ลงมือทันทีเราอยู่บนยอดเขาสูงขึ้นมา มอกยิ่งทึกข้างล่างที่บริเวณหมู่บ้านของมันป่านี้คงมองเห็นอะไรได้ชัดแล้วคุณคิดเหรอว่าเวลากลางคืนพวกเราจะข้ามฟากมาได้รวมทั้งวางแผนเล่นงานมันอย่างที่คุณว่านั่นดารินร้องออกมาอย่างแปลกใจถ้าคุณชายเชิดถาหรือคุณช ย, ยันก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจอยู่บ้างหรอกครับแต่สําหรับแง่ทายก็ดีขยินก็ดีหรือบุญคําก็ดี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 พราเขายังอยู่อีกไกลนะักแล้วคุณจะเชื่อได้ยังไงว่าเขาจะตามมาถูกนะ่ะเรื่องการตามรอยทนำะไม่ต้องหวงเขาจะตรงมาที่ฝั่งเหวปลายสะพานด้านนี้ก่อนครับเพราะนั่นนะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการแยกจากกันแล้วเขาก็จะเห็นรอยของเราเองว่าหนีขึ้นมาบนเขาลูกนี้แม้ดูคุณเชื่อมั่นใจเย็นเหลือเกินนะเพราะพรานใหญ่แล้วพินไพยวันยกมือขึ้นปิดปากขาา แล้วเหยียดแขนออกบิดกายด้วยความเมื่อยขบในตาที่มองจับมายังหล่อนเป็นประกายแจมย่มใสเมื่อคืนนี้นะ่ะผมไม่มีความเชื่อมั่นอะไรสักอย่างใจก็ร้อนรากระไฟผลานไม่ได้ห่วงตัวเองแต่ห่วงคุณหญิงถ้าว่าเดี๋ยวนี้จะให้ผมร้องเพลงนิ่งหน่องให้คนหญิงฟังอีกก็ยังไหวนะครับแล้วก็เห็นไหมครับนี่ผมกาลังทาอะไรอยู่ ดารินอดหัวเราะออกมาไม่ได้ในคำพูดของเขาทาตาเหมือนจะคอนก็กําลังจะถามอยู่เหมือนกันแหละว่าน้ามันเหลืออยู่นิดเดียวแค่นั้นน่ะทำไมถึงอุตริไปต้มใหม้มันระเหยเป็นไอไปซะอีกหรือว่าชอบกินน้ำร้อนนี่คือน้ำที่เราจะต้มชงกาแฟครับอีกฝ่ายบอกหน้าตาเฉยดารินร้องอุทานอะไรออกมาคํานึงลืมตาโต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 พรานใหญ่ยิ้มยิ้มอยู่เช่นนั้นไม่ตอบว่าะไรแต่ชูซองเล็กๆสีซองที่ถือกำอยู่ในมือให้หล่อนดูดารินซอยเปลือกตาทีๆคว้าไปพิจารณาโดยเร็วแล้วอุทานออกมาอีกครั้งอย่างประหลาดใจระคนทึ่งเหลือที่จะกล่าวเหลือขึ้นมองดูหน้าเขาพลางสั่นีสะชะอดหัวเราะออกมาไม่ได้จุบ ป, ปากเบาๆแหมกลัวใจเลยคุณ น, นี่สารพัดที่จะเอาตัวรอดเลยนะ ย่ก็นักเล่นกลนั้นแหละทำความแปลกใจให้ได้เสมอเชียวมันคือผงกาแฟสำเร็จรูปและเกล็ดน้ำตาลซองกระทัดรัดเล็กนิดเดียวชุดหนึ่งสำหรับชงกาแฟได้หนึ่งถ้วยพอดีเป็นอาหารสำเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จแบบเดียวกับซุปมักการุนีกระป๋องซึ่งเป็นสเสบียงติดตัวในสมรภูมิของทหารจานวนนั้นมีอยู่สซองเป็นกาแฟเส้นสองซองและน้าตาลสองซอง ข้ากระชงกาแฟได้สองชุดพอดีเรื่องของเรื่องก็คือเราไม่ประมาทซะอย่างเดียวเท่านั้นเป็นยังไงครับแช่มชื่นไหมถึงเราจะหลงพลัดกับพวกเราก็อุตสามีกาแฟกินรับรองว่าเอสเปรสโซโนสแน็คบาร์กรุงเทพทำอะไรไม่ได้ฉันดูเหมือนคุณเหมือนยักษ์ในตะเกียงอลาดินงั้นแหละดารินพูดพลางหัวเราะพลาง นึกจะเอาอะไรก็เสกด้วยคาถาเมื่อคืนนี้ซุปมัคโรนีพอเช้านี่ก็มีกาแฟอีกแล้วอน่าอัศจรรย์ใจสักจริงเดีย๋ยวว่าแต่กาแฟเลยครับคุณหญิงจเจ้าขนมปังปิ้งสักชิ้นสองชิ้นก็ยังไหวนะระพินทำหน้าขึงขังแม้คุณพูดไปเล่นไมนะ่น่าเขาสอนยิน้มแววตาสุกใสมองดูหล่อมอย่างล้อเลียน ทำเป็นวนมือเสกคาถาหมุบมิดและดีดนิ้วเปาะวัดมือไปทางเบื้องหลังพอเวียงกลับมาอีกทีสิ่งที่ปรากฏอยู่ในฝ่ามือคือกระป๋องเล็กๆสีเขียวทหารขนาดของมันเพียงแค่กระป๋องนมสดชนิดเล็กๆเท่านั้นอะไรนะ่ะโผล่มาอีกละขนมปังปอนไงโกหกขนมปังปอนอะไรจะเข้าไปอยู่ในกระป๋องเล็กนิดเดียวแค่นี้อ่ะไม่เชื่อก็คอยดูสิ ว่าแล้วเขาก็เอากุญแจไขเปิดออกดาริ้งจ้องมองดูอย่างพิดสงงแล้วก็ผิวปากหวื้อออกมาเมือ่อฝากระป๋องหลุดออกไปจากตัวมองเห็นขนมปังปอนถูกอัดแน่นอยู่ในนั้นเป็นรูปทรงกลมตามกระป๋องแล้วพิงใช้ปลายมีดงัดมันออกมาพอถูกอากาศมันก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วพองใหญ่กว่าเดิมถึงสามเท่าก็าจัดแจงหั่นออกเป็นสี่ชิ้นวางไว้บนหลังหมวกส่งไปให้หล่อน แล้วขยิบตาให้นิดนึงดารินเป่าลมออกจากปากทำท่าเหมือนจะเป็นลมพอแล้วนะพอแล้วสมมุติว่าถ้าจะเสกไขดาวเบคอนหรือเลยได้อีกก็ไม่ต้องหรอกโอ้ยแค่นี้ก็จะช็อกตายอยู่แล้วพอๆก็เห็นผีนางเที่ยมเมื่อคืนนั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์ปาฏิหาริย์อะไรหรอกพรานใหญ่พูดยิ้มยิ้มขณะนั้นน้าในหม้อสนามเดือดพลุ่ง ยังยกลงจากไฟฉีกซองกาแฟและน้ำตาลใส่ลงไปเอาปลายมีดคนพวกเครื่องกระป๋องสําเร็จรูปเบ็ดเสร็จหรือเรช่นพวกนี้เป็นอาหารติดตัวของทหารอเมริกันในสมรภูมิน้ําหนักเบาที่สุดผิดกับเครื่องกระป๋องธรรมดามีน้าซ้ํายังมีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมเป็นต้นว่าอาหารอย่างไหนเป็นของเหลวก็มีเตาให้อุ่นอยู่ในตัวเสร็จรสชาติมันอาจไม่ได้ความนะัก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 แล้วนี่คุณไปเอามาจากไหนเนี่ยผมมีสำรองไว้ที่บ้านพักหนองน้ำแห้งเป็นลังๆเลยละครับวานเพื่อนทหาเรเนี่ยกันให้มันช่วยซื้อจาก PX โดยทั่วๆไปแล้วก็แทบไม่มีโอกาสได้ใช้เลยแต่ผมไม่ประมาทหรอกเวลาออกป่าครเอาติดตัวมาด้วยทุกครั้งเอาอยัางไงครับเรามีโลฟกับเอสเปรสโซกินกันเป็นอาหารเช้ากลางดงสางเขียวรอดไปได้อีกมือ้ออย่างหรูหราเชยละ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 หลักไหลเบาๆเรื่องเล็กคุณกินได้ฉันก็กินได้ตางมองดูตาแล้วหัวเราะให้แกกันระพินรินกาแฟใส่ฝาหม้อสนามส่งไปให้ความทุกข์ยากลำเข็นความร่วมเป็นร่วมตายฝากชีวิตไว้ให้แกกัน ทำใหมนุษย์เราสามารถจะยังซึ้งถึงจิตใจกันได้อย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นใครต่างชั้นวรณะกันสักแค่ไหนณนะ บ, บัดนี้หมอมราชวงศ์หญิงผู้สูงศักดิ์บอกกับตนเองว่ารอนรู้จักพรานรับจ้างนามว่ารับพินไพรวันได้ดีที่สุดเท่าเๆกับที่จอมพรานก็ซึ้งในราชสกุลสาวผู้อยู่ในฐานะนายจ้างแม่ละ่ะถ้าปราจากดารินวราริศแล้วชีวิตของเขา คงจะไม่รอดจนถึงเช้าวันนี้แน่นอนข้าคาดไม่ถึงมาก่อนว่าน้ำใจของผู้หญิงคนหนึ่งจะยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ไม่เพียงแต่จะกล้าหารเด็ดเดียวเท่านั้นยังก่อไปด้วยการเสียสละซึ่งหาได้ยากในพื้นฐานอารมณ์ของสตรีเพศทั่วไปเพราะความอาทรห่วงใยที่มีต่อเขาแท้ๆทำให้หลอนพลอยติดอยู่กับฝั่งนี้แทบจะเอาชีวิตไม่รอดกับเขาไปด้วยทั้งๆ ท, ที่มีโอกาสจะปลิดตัว รู้กันด้วยแววตาอย่างกันได้ด้วยหัวใจไม่จำเป็นจะต้องเอ่ยเป็นวาจาใดาๆออกมาระหว่างเขากับหล่อนชั่วขณะหนึ่งะพินหวนคิดไปถึงภาพเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นกันครั้งแรกที่สถานีกักศัต์ของนายอัมพลวันที่เขาได้รับการติดต่อทาบทามขอว่าจ้างจากหม่อมราชวงศ์เชดิดาซึ่งเป็นพี่ชายของสาวสูงสักพวกนี้บ่ายวันนั้น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 เมื่อสำนึกบางสิ่งบางอย่างเตือนตอนเองสายตาดื่มดำที่จับนิ่งอยู่ยังใบหน้างามนั้นลดต่ำลงอยู่ที่พื้นจนทำให้อีกฝ่ายชะงนเพราะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นได้กำลังคิดอะไรอยู่หรอระพินหลนถามมาแผ่วเบาหางเสียงกังวลแพนใหญ่ยักไหลวัวรอ ก, กลบเกลื่อนปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นปกติเสออําพรางไปอีกเรื่องหนึ่ง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 และแม้ว่าเราจะไม่ย้อนมาพบเขาทั้งคู่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะออกพ้นจากถิ่นสังเขียวไปโดยไม่ประทะกับมันเพราะมันตามล่าทุกชีวิตที่ผ่านเข้ามาในโะแวกของมันอยู่แล้วแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกคุณไม่ได้คิดอยู่ในเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอเขาหนีหันไปคว้าก้นบุหรี่สูบทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนขึ้นมาจุดสูบ ใ, ใจใหญ่ต่อมาก็เปลี่ยนเรื่องมาว่า เมื่อคืนนี้ผมเอาเปรียบคุณหญิงมากนอนสักค่อนคืนคุณหญิงได้นอนนิดเดียวเท่านั้นไหนจะคนข่ข้ไหนจะสารเขียวแล้วจะไม่ไปไหนล่ะครับแต่จะดักรอพวกเราอยู่ที่นี่แหละตอนนี้คุณหญิงจะพักนอนเอาแรงต่อไปก็ได้นะครับหลอนซันศีสักยกมือทั้งสองขึ้นขยีบเปลือกตาก็พอกันนั่นแหละฉันก็เอาเปรียบคุณเหมือนกันเพราะเอาอกคุณเป็นหมอน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 มาเรียถ้ามีสติยังคิดก็น่าจะรู้ตัวเองดีว่ายังไม่พร้อมที่จะต่อสู้ก็มีอยู่สี่คนเท่านั้นล่ะครับที่ยังพอไหวแ ง, งซายขยินบุญคําแล้วก็คุณชัยยันแต่ผมไม่คิดว่าจะมาหมดทั้งสี่คนหรอกเพราะถ้าคุณชายกมาเรียยังตกค้างอยู่ฝั่งโน้นก็จะต้องมีใครสักคนหนึ่งในระหว่างขยินกับบุญคําอยู่เป็นเพื่อนเรื่องนี้เห็นจะไม่ต้องห่วง คุณชายรอบคอบและเป็นนักวางแผนที่ไว้วางใจได้เสมอนี่ขอถามอะไรสักหน่อยได้ไหมอยู่ไม่อยู่หล่อนก็เอ่ยมาหน้าตาเฉยแล้วพินหันไปสบตาถามอะไรครับสัญญาก่อนนะว่าจะตอบตามความจริงด้วยกิยศของพรานป่าผู้ดำรงชีพด้วยสัจากของผมครับ ช่างเถอะฉันเปลี่ยนความคิดแล้วไม่ถามละหล่อนว่าเบนสายตาพระจากเขาเอาท่อนฟืนขีดเขียนอะไรเล่นอย่างปลาศจากความหมายบนผนังหินระพินแววตาขรึมลงคุณหญิงทำให้ผมไม่สบายใจซะละน้ำเสียงนั้นตัดพอจะไปทำอะไรให้คุณเหรออ่ะก็ว่าจะถามอะไรแล้วทาไมไม่ถามละ่ะทำให้ผมคิดอยู่นี่เอง พราฉันพิจารณาแล้วว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใครก็เลยระงับความคิดที่จะถามซะความจริงก็ไม่ได้มีเจตนาหรอกปากมันเผลอไปโปรด ถ, ถามผมในสิ่งที่คิดจะถามเมื่อตกี้นี้นะครับถ้าคุณหญิงให้เก็บผมเสียงห้าวต่ำแม้จะเนิบเนิบกัางวานของมันก็แฝงความกังวลไว้เต็มเปี่ยมจ้องมองดูหล่อนไม่กระพริบ ก็เพราะฉันคิดว่าฉันควรให้เกียรติคุณน่ะสิฉันจึงเปลี่ยนความตั้งใจที่จะถามพ่านใหญ่ถอนใจเบาๆพลางสันสีษะชะ้าๆผมอยากรู้เหลือเกินอะไรนะเป็นความคิดของคุณหญิงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนความตั้งใจอย่าสนใจเลยนายพรานลืมซะเถอะถ้าสมมุติว่าผมจะขอร้องอยากให้ยัถามนักเหรอ อยากจะรู้ในเรื่องที่จะถามเท่านั้นแหะครับดารินหันมาสบเขาด้วยสายตาตรงอีกครั้งขึ้นสุดท้ายก่อนสังเขืวจะเข้าโจมตีเราในตอนบ่ายของวันรุ่งขึ้นหล่อนพูดด้วยเสียงเรียบราบเป็นปกติในขณะที่อีกฝ่ายขมวดคิ้วตะแคงใบหน้าฟังอย่างตั้งใจตอนดึกของคืนนั้นจึนเห็นเงาของคนสองคน ในระหว่างซอกโคดหินลับตาออกไปพบปกพูจากันอยู่นานทีเดียวต่อมาคนนึงพละจากที่เดิมเดินผ่านบริเวณแคมป์ฉันจึงจำได้ว่าเป็นเมย์แล้วอีกคนก็เดินตามมาทีหลังคือคุณขณะนั้นด็อเตอร์ฮอฟมันและทุกคนนะดูเหมือนจะหลับหมดขอโทษนะระพินฉันไม่ได้เจตนาที่จะเฝ้าดูหรอกมันบังเอิญตื่นขึ้นมาพบเหตุการณ์พอดีแล้วเรื่องนี้ก็ ไม่มีอะไรทําให้รู้สึกตะขิดตะขวงใจเลยถ้าหากว่าเมยนะ์ไม่ใช่คนแต่งงานมีสามีแล้วเหมือนเช่นที่เขามีอยู่ในคืนนั้นแระพินไพยวันผิวปากหวือจ้องตาหล่อนไม่กระพริบยิ้มออกมาเล็กน้อยดารินจ้องตอบพยายามจะค้นหาร่องรอยบางสิ่งบางอย่างในแววตาคู่นั้นแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากประกายแจ่มใสบริสุทธิ์และเปิดเผย คุณหญิงคงหมินน้ำใจของผมนะครับในขณะที่เห็นน่ะก็พึมพำออกมาเหมือนรำพึงหล่อนยักไหลใช่ฉันยอมรับว่าในขณะนั้นน่ะฉันพิจารณา ว, ว่าคุณเป็นคนไม่มีเกียรติไม่เป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ไม่น่าไว้วางใจเลยและเดี๋ยวนี้ล่ละครับมันข้านกันกับที่ฉันรู้จักคุณยังไงพิกล น, นะเท่าที่ฉันเห็นมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้